พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงทราบเรื่องอดีตอนาคตก็ทรงถือเอานิมิตคือสมมติอันดั้งเดิมของเรื่องนั้นๆเป็นเครื่องหมายให้ทราบเช่นทรงทราบอาดีตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าทรงเป็นมาอย่างไรเป็นต้นก็ต้องถือเอานิมิตของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นและพระอาการนั้นๆเป็นเครื่องหมายพิจารณาให้รู้ถ้าไม่มีสมมติของสิ่งนั้นๆเป็นเครื่องหมายก็ไม่มีทางทราบได้ในทางสมมติเพราะวิมุติล้วนๆไม่มีทางแสดงได้ นั้นการพิจารณาและทราบได้ต้องอาศัยสมุติเป็นหลักพิจารณาดังที่เราสถาคตนำสาวกมาเยี่ยมเวลานี้ก็จำต้องมาในรูปลักษณะอันเป็นสมุติดั้งเดิมเพื่อผู้อื่นจะพอมีทางทราบได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั้นและพระอรหันต์องค์นั้นนั้นมีรูปลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่มาในรูปลักษณะนี้แล้วผู้อื่นก็ไม่มีทางทราบได้ เมื่อยังต้องเกี่ยวกับสมมติในเวลาต้องการอยู่วิมุติก็จําต้องแยกแสดงออกโดยทางสมมติเพื่อความเหมาะสมกันถ้าเป็นวิมุตรวนๆเช่นจิตที่บริสุทธิ์รู้เห็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกันก็เพียงแต่รู้อยู่เห็นอยู่เท่านั้นไม่มีทางแสดงให้รู้ยิ่งกว่านั้นไปได้เมื่อต้องการทราบลักษณะอาการของความบริสุทธิ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็จําต้องนําสมมติเข้ามาช่วยเสริมให้วิมุตเด่นขึ้นพอมีทางทราบกันได้ว่า วิมุตมีลักษณะว่างเปล่าจากนิมิตทั้งปวงมีความสว่างสวัยประจำตัวมีความสงบสุขเหนือสิ่งใดๆเป็นต้นพอเป็นเครื่องหมายให้ทราบได้โดยทางสมมติทั่วๆไปผู้ทราบวิมุตย่างประจักษ์ใจแล้วจึงไม่มีทางสงสัยทั้งเรื่องวิมุตแสดงตัวออกต่อสมมติในบางคราวที่ควรแก่กรณีและทรงตัวอยู่ตามสภาพเดิมของวิมุตไม่แสดงอาการที่เธอถามเราตถาคต ถามด้วยความสงสัยหรือถามพอเป็นกิริยาแห่งการสนทนากันท่านกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ได้มีความสงสัยทั้งส ม, มุติและวิมุติของพระองค์ทั้งหลายแต่ที่กราบทูล น, นั้นก็เพื่อถวายความเคารพไปตามกิริยาแห่งส ม, มุติเท่านั้นแม้พระองค์กับพระสาวกจะเสด็จมาหรือไม่ก็ไม่ได้สงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อันแท้จริงมีอยู่ณที่แห่งใดแต่เป็นความเชื่อประจักษ์ใจอยู่เสมอว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอันแสดงว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มิใช่ธรรมชาติอื่นใดจากที่บริสุทธิ์หมดจดจากสมุดในลักษณะเดียวกันกันกบพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่เราตถาคตถามเธอก็ไม่ได้ถามด้วยความเข้าใจว่าเธอมีความสงสยัยแต่ถามเพื่อเป็นสัมโมทนิยธรรมต่อกันเท่านั้นบรรดาภาษาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์และแต่ละครั้งนั้น ไม่ได้กล่าวปลาัยอะไรกับท่านพระอาจารย์มั่นเลยมีพระพุทธเจ้าประธานพระอาวราชพระองค์เดียวส่วนพระสาวกทั้งหลายเป็นเพียงนั่งฟังอยู่อย่างสงบเสงี่ยมหน้าเคารพเลื่อมใสามากเท่านั้นแม้สามเณรองค์เล็กๆที่น่ารักมากกว่าจะน่าเคารพเลื่อมใสก็นั่งฟังอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเช่นเดียวกับพระสาวกทั้งหลายอันเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสามากและน่ารักมากด้วยซึ่งยังอยู่ในวัยเล็กมากก็มีอายุราวเก้าขวบสิบขวบสิบอ็ด ขวบซึ่งน่ารักมากท่านเล่า ว, ว่าพอเห็นสัมมเนนอรหันต์แล้วท่านเกิดความรู้สึกรักมากและสงสารมากถ้าตามภาษาของผู้ใหญ่พูดกับเด็กธรรมดาทั่วไปก็ว่าเนนตัวเล็กๆตาใสาแจว๋วใครเห็นแล้วก็อดที่จะรักไม่ได้ดีไม่ดีถ้าไม่ทราบไว้ก่อนว่าท่านเป็นสามเนนอรหันต์แล้วน่ากลัวจะดื้อมือไปีว่าเอาศีรษะท่านขยี้ขยาดเล่นโดยไม่ได้สานึกในบาปแน่ ท่านพูดมาตอนนี้เลยนึกคันมือขึ้นมาว่าถึงผู้เขียนก็เถอะอาจเป็นผู้หนึ่งก่อนใครที่จะอดกว้าไม่ได้เป็นอะไรเป็นกันแล้วค่อยขอขมาโทษท่านทีหลังเพราะอดรักอดเล่นไม่ได้ท่านว่าแม้ท่านจะเป็นสามาเณรองค์เล็กๆก็ตามแต่มันญาติท่านเป็นผู้ใหญ่สงบสงี่ยมสวยงามมากเหมือนพระสาวกทั้งหลายสรุปแล้วบรรดาพระสาวกอรหันและสามาเณรที่ตามเสด็จมากับพระพุทธเจ้ายแต่ละครั้ง ล้วนมีมันย่าตอันสวยงามน่าเคารพเลื่อมใสามากเหมือนผ้าที่ถูกพับและเก็บไว้เป็นระเบียบงามตาฉะนั้นเวลาท่านเกิดความสงสัยเกี่ยวกับประเบียบขนบประเพณีทั้งเดิมเช่นการเดินจงกรมนั่งสมาธิความเคารพต่อกันระหว่างผู้อาวสุกับพันเตและการคลองผ้าเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมจำเป็นทุกครั้งไปหรือไม่อย่างไรขณะนั่งภาวนาท่านนึกวิตกอยากทราบความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระและภาษา พาดำเนินมาก่อนท่านทํากันอย่างไรดังนี้ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงวิธีให้ดูเองก็เป็นพระสาวกองคใดองหนึ่งมาแสดงให้ดูตัวอย่างจนได้เช่นการเดินจงกรมจะควรปฏิบัติตัวอย่างไรในขณะเดินถึงจะถูกต้องและเป็นความเคารพธรรมตามหน้าที่ของผู้สนใจเคารพธรรมในเวลาเช่นนั้นท่านก็เสด็จมาแสดงวิธีวางมือวิธีก้าวเดินวิธีสำรวมตนในเวลาเดินให้ดูอย่างละเอียด บางครั้งก็ประทานพระโอวาทประกอบกับวิธีแสดงด้วยบางครั้งก็แสดงเพียงวิธีท่าต่างๆให้ดูแม้พระสาวกอรหันมาแสดงให้ดูก็ทำในลักษณะเดียวกันการนั่งทำสมาธิทำอย่างไรควรหันหน้าไปทางทิศใดเป็นการเหมาะกว่าที่อื่นๆท่านั่งจะตั้งตัวอย่างไรเป็นการเหมาะสมในขณะนั้นท่านแสดงให้ดูทุกวิธีความเคารพต่อกันระหว่างอาวุโสกับพันเตตอนนี้ถ้าเล่าแปลกอยู่บ้าง คือขณะที่ท่านนึกวิตกอยากทราบว่าครั้งพุทธการท่านปฏิบัติต่อกันอย่างไรที่เป็นสามีจีความต่อการโดยชอบธรรมพอวิตกไม่นานก็ปรากฏมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหนุ่มทั้งแก่และแก่จนงอมศรีรษะงอขาวไปหมดตลอดสามเณรเล็กๆและโตพอประมาณซึ่งล้วนอยู่ในวัยที่น่ารักตามเสด็จมาม า, มากมายแต่การเสด็จมาของพระพุทธเจ้ากับการมาของพระสาวกทั้งหลายมิได้มาพร้อมกัน ตั้งองค์ต่างมาองค์ใดมาถึงก่อนองค์นั้นก็นั่งอาสนะข้างหน้าองค์มาที่สองที่สามก็นั่งรองกันลงมาตามลำดับที่มาถึงไม่นิยมใยและเอาปโสงพันเตแม้สามนเนนมาถึงก่อนก็นั่งข้างหน้าพระจนถึงองค์สุดท้ายองค์กแก่ๆรุ่นปูรุ่นทวดสามนเนนมาถึงที่หลังก็ต้องนั่งอาสนะสุดท้ายโดยมิได้มีองค์ใดแสดงกิริยาขววยเขินกระดักอายต่อกันเลย แม่องค์พระพุทธเจ้าเองเสด็จมาถึงลำดับใดก็ประทับอาสนะนั้นที่ควรแก่ผู้มาถึงทีหลังท่านเห็นอาการอย่างนั้นจึงเกิดความสงสัยว่าพระครั้งพุทธการไม่มีการเคารพกันบ้างหรือยอย่างไรถึงได้ทำอย่างนี้ดูไม่มีระเบียบงามตาบ้างเลยแล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงประกาศพระศาสนาให้ประชาชนเคารพนับถือได้อย่างไรเมื่อพระศาสดาเมื่อพระศาสนาและผู้นําของพระศาสนา ตลอดผู้ปฏิบัติศาสนาอย่างใกล้ชิดประพฤติต่อการอย่างไม่มีระเบียบเช่นนี้ซากประเดี๋ยวธรรมก็ผุดขึ้นมาในใจท่านเองโดยพระพุทธเจ้าและสาวกยังมิได้ประทานโอวาทแต่อย่างใดว่านี่คือวิสุทธิธรรมล้วนๆไม่มีสมมุติเข้าเจือปนเลยจึงไม่มีกฎข้อบังคับหรือระเบยียบใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องที่แสดงอย่างนี้แสดงเรื่องวิสุทธิธรรมที่เป็นความเสมอภาคทั่วกันไม่นิยมว่าอ่อนว่าแก่ว่าสูงว่าต่ำ อันเป็นเรื่องของสมมุตินับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกอรหันองค์สุดท้ายจะเป็นพระหรือเนรไม่จำกัดแต่มีความเสมอกันด้วยความบริสุทธิ์ท่านแสดงบุคลาธิฏฐานในลักษณะนี้เป็นเครื่องบอกถึงความบริสุทธิ์ของการละกันว่าไม่มีใครยิ่งจนกว่ากันบรรดาพระและเนรที่เป็นอรหันด้วยกันพอทำที่แสดงขึ้นสงบลงท่านหนึ่งวิตโตอีกว่าท่านเคารพกันตามสมมตินั้นเคารพกันอย่างไรบ้างหนอพอความ คิดวิตกระ ง, งับลงภาพของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ประทับนั่งและนั่งการอย่างไม่มีระเบียบอยู่ขณะนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนท่าประทับและท่านั่งใหม่ทันทีคราวนี้ปรากฏว่า พ, พาพระพุทธเจ้าประทับนั่งเป็นประมุกอยู่ข้างหน้าโสนสามเณรองค์เล็กๆที่มาถึงก่อนและเคยนั่งอยู่ข้างหน้าก็ได้เปลี่ยนเป็นนั่งอยู่สุดท้ายอย่างมีระเบียบงามตาหน้าเคารพเลื่อมใสามาก ขณะนั้นทำผุดขึ้นในใจท่านว่านี่คือระเบียบและขนบประเพณีของพระครั้งพุทธการเคารพกันท่านเคารพกันอย่างนี้แม้เป็นพระอาหารหันต์แล้วแต่ยังอ่อนภาษาอยู่ก็จำต้องเคารพพระอาวุโสที่ปฏิบัติ ด, ดีทั้งที่ยังมีกิเลสภายในใจอยู่ต่อลาดับนั้นพระองค์ประธานพระา ว, าว่าดว่าพระของเราสถาค ต, ต้องมีความเคารพและสนิทสนมกันประหนึ่งอวัยวะอันเดียวกัน แต่ไม่ได้สนิทกันแบบโลกหากแต่สนิทกันตามแบบของธรรมซึ่งเป็นความเสมอภาคไม่ลําเอียงพระของเราตถาคตอยู่ด้วยกันแม้จะนวนมากก็ไม่ทะเลาะกันไม่มีการเพรเยเย่อยิงต่อกันพระที่ไม่เคารพกันตามหลักธรรมวินัยที่เป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตมิใช่พระของตถาคตแม้จะเรียนแบบของโลกสิทธาตถาคตก็คือพระที่เรียนเรียนอยู่นั่นแหลไม่จริงดังคําประกาศอวดอ้าง ถ้าพระยังมีความเครารพตามตามหลักธรรมวินัยคือตถาคตและเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อธรรมวินัยไม่ฝ่าฝืนพระนั้นจะอยู่ที่ใดบวชเมื่อไรเป็นชาติชัน้นวรณะและออกมาจากสกุลใดก็คือพระลูกสิทธิ์เราตถาคตอยู่นั่นแหลชื่อว่าผู้เดินตามเราตถาคตต้องปรากฏความสิ้นสุดทุกข์ในวันหนึ่งแน่นอนพอประธานพระอาวาจนย่อจบลงนับแต่พระธเจ้าลงมาทางองค์ทางหายไปในขณะนั้น ท่านอาจารย์เองก็สิ้นสงสัยลงในขณะที่นิมิตมาแสดงบอกอย่างชัดเจนนั่นเช่นกันแม้การคลองผ้าในเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมพระสาวก็ได้มาแสดงให้ดูตามลำดับที่เกิดความสงสัยไม่แน่ใจว่าไม่จําเป็นต้องคลองผ้าทุกครั้งไปโดยท่านมาแสดงการนั่งสมาธิและเดินจงกรมในท่าคลองผ้าและไม่คลองผ้าให้ดูจนสิ้นความสงสัยทุกกรณีไป ตลอดสีผ้าสบองจีวรสังคาติอันเป็นเครื่องนุ่งห่มของพระท่านก็แสดงให้ดูโดยแสดงผ้าสีกลักคือสีแก่นขนุนออกเป็นสามสีคือสีกลักอ่อนสีกลักขนาดกลางและสีกลักแก่ให้โดยละเอียดเท่าที่พิจารณาตามท่านเล่าให้ฟังแล้วก็พอทราบเลยว่าท่านทําอะไรลงไปมากมีแบบฉบับมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองความแน่ใจในการทําเสมอมิได้ทําแบบสุ่มเดาที่เรียกว่า เอาตนเข้าไปเสี่ยงต่อกิจการที่ไม่แน่ใจฉะนั้นปฏิบัิทาท่านจึงร่าเปลื่นสม่มเสมอตลอดมาไม่มีข้อที่น่าตำหนิและกระทบกระเทือนใดๆมาแต่ต้นจนอวสานซึ่งจะหาผู้เสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันบรรดาสานุสิตที่ยึดเอาปฏิบปทาท่านไปปฏิบัติย่อมเป็นความงามเสมอต้นเสมอปลายแบบลูกศิษย์มีครูนอกจากที่ชอบแวกแนวแบบผีไม่มีป่าช้าลูกไม่มีพ่อแม่ ศีดไม่มีอาจารย์ซึ่งอาจมีได้เท่านั้นปฏิบปทาที่ท่านพาดำเนินมาจึงอาจถูกดัดแปลงไปตามความคิดเห็นนอกนั้นปฏิปทาท่านนับว่ารา่าเรียบมากทั้งนี้ท่านรู้สึกมีอะไรๆที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่ภายในอย่างลึกลับเป็นเข็มทิดพาดําเนินซึ่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่อาจมีได้อย่างท่านการจำพรรษาของท่านในจงังหวัดเชียงใหม่ทราบว่าท่านจําที่หมู่บ้านจอมแตงอําเภอแม่ริมหนึ่งพรรษา ที่บ้านโปงอำเภอแม่แตงหนึ่งพันศาที่บ้านกลอยอำเภอรพร้าวหนึ่งพันศาในเขาอำเภอแม่สวยหนึ่งพันศาที่บ้านปูพระยาอำเภอแม่สวยหนึ่งพันศาที่วัดเจดีหลวงหนึ่งพันศาที่บ้านแม่ทองทิพย์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหนึ่งพันศาที่จังหวัดอุตรดิตถหนึ่งพันศาส่วนที่ท่านเที่ยวบําเพ็ญสมณธรรมในที่ต่างๆตามบ้านปลาบ้านเขาวนั้นจําไม่ได้ทุกสถานที่ไป และไม่สามารถนำมาเรียงลำดับภรษาก่อนและหลังกันได้เพราะท่านเที่ยวอยู่แถบจังหวัดเชียงใหม่และชิงรายนานถึงสิบเอ็ดปีต่อไปจะขอระบุเฉพาะหมู่บ้านที่ท่านพักซึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์เป็นแห่งๆไปที่ไม่จำเป็นและไม่จะไม่ขอกล่าวถึงท่านพักอยู่ในที่นั้นๆไม่ว่าจำพรรษาหรือเที่ยววิเวกธรรมดาเว้นวัดเจดีย์หลวงอกนั้นทราบว่าเป็นป่าเป็นเขาซึ่งเป็นที่เปลี่ยวแทบทั้งนั้น และเป็นการเสี่ยงต่อพยันตรายหลายอย่างมาตลอดระยะที่ท่านเที่ยวบําเพ็ญฉะนั้นประวัติท่านจึงเป็นประวัติที่สําคัญมากทางการเที่ยวตัดวงกรรมฐานและการรู้เห็นธรรมประเภทต่างๆเป็นเรื่องแปลกและทิศดารผิดกับประวัติของอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นนักท่องเที่ยวบําเพ็ญเหมือนกันอยู่มากเริ่มแรกที่ท่านออกปฏิบัติในเขตจังหวัดเชียงใหม่ท่านไปเที่ยวและพักอยู่เพียงองค์เดียวถ้าเป็นแบบโลกก็นับว่าเปล่าเปลี่ยวที่สุด ความวาดวันพ่า่นพึงคงแทบไม่หายใจเพราะความกลับังคับอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนได้แต่สําหรับท่านแล้วในอิรยาบถทั้งสี่ซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลผู้เดียวท่านถือว่ามีความสุขทางจิตใจและสะดวกทางความเพียรมากเพราะการถอถอนกิเลสท่านก็ถอถอนได้ด้วยอํานาจความเพียรของบุคคลผู้เดียวดังที่กล่าวผ่านมาแล้วต่อมาค่อยมีพระทยอยไปหาท่านมีท่านจะาคุณเทศ อ, อําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาย ท่านอาจารย์สารท่านอาจารย์ขาวว่ดัดถ้ำกรองเพลนเป็นต้นแต่อยู่กับท่านชั่วระยะการเท่านั้นท่านก็สั่งให้ออกหาที่วิเวกตามที่ต่างๆแถวหมู่บ้านช า, าวเขาที่ตั้งอยู่ห่างๆกันที่ชายเขาวบ้างบนหลังเขาวบ้างหมู่บ้านละสี่ห้าลังคาเรือนบ้างเก้าสิบหลังคาเรือนบ้างพอได้อาศัยขาวไปเป็นวันๆท่านเองก็ชอบอยู่ลําพังองเดียวตามนิสัยพระกรรมฐานสมัยท่านเป็นผู้นําพาดําเนิน ครั้งนั้นปรากฏว่าเด็ดเดี่ยวอาหานมากเที่ยวแสวงหาธรรมกันแบบเอาชีวิตเข้าประกรันจริงๆไม่อาไยชีวิตยิ่งกว่าธรรมที่ได้มีสัตว์เสือชุมท่านชอบสั่งให้พระไปอยู่ที่นั้นเพราะเป็นที่ช่วยกระตุ้นเตือนสติปัญญามิให้นิ่งนอนใจความเพียรก็จำต้องติดต่อกันไปเองและเป็นเครื่องหนุนจิตใจให้มีกําลังขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าปกติที่ควรจะเป็นท่านเองก็พักบําเพ็ญเป็นสุขขวิหารธรรมอยู่สบายในป่าในเขาที่สงัด ปราศจากผู้คนทั้งกลางวันกลางคืนการติดต่อกับพวกกายทิพย์เช่นเทวบุตรเทวดาอินพรมรยานาคพู้ดผีที่มาจากที่ต่างๆท่านถือเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับมนุษติดต่อกับพวกมนุษย์ชาติต่างๆที่รู้ภาษากันเพราะท่านชำนิชำนานในทางนี้มาช้านานแล้วท่านพักอยู่ที่ป่าที่เขาโดยมากก็ทําประโยชน์แก่พวกกายทิพย์นี้และพวกชาวเขาซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริต ไม่ค่อยมีแง่งงอนต่างๆเวลาเขารู้นิสัยและทราบซึ่งในธทําท่านแล้วเขาเคารพเลื่อมใสท่านมากแบบเอาชีวิตเข้าประกันได้เลยคำว่าชาวป่าชาวเขาเช่นพวกอีกอ็มูเซอร์แมวยางเหล่านี้ตามความคาดหมายของคนทั่วไปเข้าใจว่าเขาเป็นคนป่าคนเขารูปร่างทั้งหญิงทั้งชายต้องขี้ริว้วขี้เลอะตัวดำกาโครนราวกับตอตะโกนแน่ๆ แต่ท่านว่าคนพวกนี้รูปร่างหน้าตาสวยงามและขาวสะอาดสะอาดกิริยาเรียบร้อยมีระเบียบขนบธรรมเนียมดีเคารพนับถือผู้ใหญ่และผู้เป็นหัวหน้าในหมู่บ้านดีมากสามัคคีกันดีไม่ค่อยมีประเภทแหวกแนวแฝงอยู่ในหมู่บ้านเหล่านั้นในสมัยนั้นมีความเชื่อถือผู้ใหญ่และหัวหน้าบ้านมากหัวหน้าพูดอะไรชอบเชื่อฟังและทําตามไม่ดื้อด้งฝ่าฝืนสั่งสอนก็ง่ายไม่ค่อยมีทิฐิมานะ คำว่าป่าแทนที่จะเป็นป่าเถือนแบบสัตว์แต่กลับเป็นป่าแห่งคนดีมีสัตว์มีศีลไม่มีการโฉกหลักขโมยปล้นจีกกันเหมือนป่ามนุษย์ล้วนๆป่าไม้ป่าสัตว์เป็นป่าที่ไม่ค่อยได้ระวังระวังมากเหมือนป่ามนุษย์ล้วนที่เต็มไปด้วยภัยนานาชนิดกิเลสความโลภ โ, โ ท, โ, ทโสโมโหเป็นป่าลึกลับชนิดที่โดนเอาโดนเอาไม่เว้นแต่ละเวลาเมื่อโดนเข้าแล้วต้องเป็นแผลลึกอยู่ภายใน และคอยทําลายสุขภาพทางร่างกายและจิตใจให้เกิดทุกข์เสียหายไปนานๆไม่ค่อยมีวันหายได้เหมือนแผลชนิดนอื่นๆและไม่ค่อยสนใจหาย า, ยามาระงับหรือกําจัดกันด้วยแผลลึกที่กิเลสเหล่านี้ต่ําจึงมากจะเป็นแผลเรื้อรังผู้ถูกตามก็มักปล่อยทิ้งไว้ให้หายไปเองป่าประเภทนี้มีอยู่ในใจของมนุษย์หญิงชายพระเนนทุกคนไม่เลือกหน้าถ้าเผลอก็เสียท่าให้มันจนได้ท่านว่า เท่าที่ท่านพยายามอยู่ในป่าก็เพื่อจะกำจัดตัดป่าเสือร้ายภายในตัวคึกขนองและโหดร้ายทารุณไม่มีวันสงบซบเสารลงบ้างเลยนี้ให้สงบหรือตายไปจากใจพอได้อยู่สบายหายวุ่นบ้างสมกับมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดสแสวงหาความสุขใส่ตนในเวลาที่ได้เกิดมาเป็นคนทั้งชาติไม่ขาดทุนศูนอํอำนาจาศาสนาแห่งความเป็นมนุษย์ไปพอกล่าวท่านอยู่ป่าอยู่ขาเช่นนั้นเวลามีหมู่คณะไปอาศัยท่าน การอบรมสั่งสอนก็เด็ดเดี่ยวไปตามสถานที่และผู้ไปเกี่ยวข้องเพราะผู้ที่ไปหาท่านโดยมากมักมีแต่ผู้กล้าตายแบบเสียสละทุกอย่างแล้วทั้งนั้นการสั่งสอนจึงทำให้สมภูมิทั้งสองฝ่ายจะตายก็ยอมให้ตายไปด้วยความเพียรเมื่อชีวิตยังเป็นไปอยู่ก็ขอให้รู้ให้เห็นธรรมและหลุดพ้นจากทุกภายในใจไม่ต้องกลับมาเกิดตายและทนทุกข์ซ้ำากอยู่ในโลกไม่มีขอบเอขตแห่งความสิ้นสุดนี้ การอบรมสั่งสอนพระในคราวอยู่เชียงใหม่ผิดกับแต่ก่อนอยู่ไม่มีการอนุโลมผ่อนผันใดๆเลยแม้พระที่ไปอบรมกับท่านโดยมากก็เป็นพระประเภทปฏิโลมฟังกันแบบปฏิโลมคือคอยจ้องมองดูกิเลสของตัวจะแสดงขึ้นมาอย่างไรบ้างเพื่อปราบปรามให้หายพยศลดกำลังลงโดยถ่ายเดียวไม่ได้ไปสนใจคิดว่าท่านเทศหนักไปเผดร้อนไปยิ่งท่านเทศเผดร้อนเท่าไรท่ามก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นลาดับ ใจก็ยิ่งสงบแนบแน่นดีสําหรับผู้ที่อยู่ในขั้นสงบผู้อยู่ในขั้นปัญญาจิตก็พยายามคิดค้นตามคําเทศท่านไปเรื่อยไม่ลดละท่านอยู่เชียงใหม่เทศธรรมสูงมากเพราะความรู้ท่านก็เต็มภูมิผู้ไปศึกษาอบรมก็มีภูมิจิตสูงและเป็นไปด้วยความหมายมั่นปั้นมือที่จะให้รู้ให้เห็นขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับจนสุดภูมินอกจากเทศธรรมดาแล้ว ยิ่งมีทาแปลกๆคอยดักใจผู้คิดออกนอกลู่นอกทางอีกด้วยประเภทหลังนี้มีอำนาจมากในการดักจับและปราบโจนภายในของพระที่ชอบขโมยสิ่งของเก่งแบบไม่เหลือการสถานที่คือขโมยคิดเรื่องร้อยแปลตามนิสัยของคนมีกิเลสไม่ใช่แบบเขาขโมยกันทั่วๆไปมาถึงตอนนี้มีเรื่องแปลกๆที่ไม่น่าจะมีได้แต่ก็ได้มีแทรกขึ้นในวงกรรมฐานมาแล้วสมัยท่านพักอยู่ในเขาที่เชียงใหม่ จึงขออภัยเขียนไว้บ้างตามที่ได้ยินมาเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นคติเตือนใจแก่ชาวเราต่างก็กําลังตกอยู่ในภาวะทนองเดียวกันเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องกรรมกันโดยมากบรรดาที่ได้ทราบกันในวงใกล้ชิดมีท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นผู้ให้ข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้พอได้เป็นข้อคิดตลอดมาพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเคยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าบาบ่ายวันหนึ่ง ท่านกับพระอีกรูปหนึ่งไปอาบน้ำที่แอ่งหินใกล้กับผลทางไปไร่ไปสวนของชาวบ้านแถบนั้นแต่อยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านมากขณะลงอาบน้ำเผอิญมีพวกศรีกามาจากไร่เดินผ่านมาที่ตรงนั้นซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีเลยพอพระรูปนั้นเจอเข้าจิตก็เกิดแปรปรนขึ้นมาทันทีทันใดโดยไม่ทันได้มีสติยับยั้งเอาเลยจึงเกิดเป็นไฟราคะทัหาเผาลนตัวเองขึ้นในขณะนั้น และร้อนสมอยู่ตลอดไปพยายามแก้ไขเท่าไหรก็ไม่ตกทั้งกลัวท่านอาจารย์จะทราบก็กลัวทั้งกลัวเจ้าตัวจะเสียไปเพราะเรื่องนี้ก็กลัวเลยทําให้พระรูปนั้นตั้งตัวไม่ติดนับแต่ขณะนั้นไปถึงกลางคืนจนตลอดคืนที่พิจารณาการอยู่อย่างไม่หยุดยั้งลดละเพราะความไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเพิ่งมาเจอเอาขณะนั้นท่านจึงรู้สึกเป็นทุกข์มากในคืนนั้นท่านอาจารย์ก็พิจารณาทราบเช่นกันว่า พระรูปนี้ไปเจอเอาของดีเข้าแล้วกําลังเกิดความกระวนกระวายด้วยความรักและความกลัวตลอดคืนไม่ได้หลับนอนด้วยความพยายามแก้ไขอย่างสุดกําลังตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเพระาะทราบว่าเจ้าตัวกําลังกลัวท่านมากแล้วถ้าไปว่าเข้าเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรไปก็ยิ่งจะแย่เข้าไปอีกท่านแสดงอาการยิ้มต่อพระองค์นั้นขณะที่มาพบกันตอนเช้าดูอาการของเธอทั้งอายทั้งกลัวท่านมากแทบตัวสัน่น ท่านก็ทำอาการเป็นไม่รู้ไม่ชี้เฉยๆไปเสียพอถึงเวลาบินทบาต ท, ท่านเลยหาอุบายพูดเพื่ออะไรก็ยากจะเดาได้ถูกว่าท่านองนี้กำลังเร่งภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังจะเร่งต่อไปไม่ต้องไปบินธบาตก็ได้ไปแต่พวกเราก็ยังได้พระเพียงอ ง, งเดียวจะเลี้ยงไม่ได้อย่างไรท่านอยากภาวนาต่อก็ไปภาวนาเสียภาวนาเผื่อมุคณะด้วยนะแต่ท่านมิได้มองดูพระรูปนั้นเลย เพราะท่านทราบดียิ่งกว่าพระรูปนั้นจะทราบเรื่องของตัวอยู่แล้วว่าแล้วท่านก็นำโมณะออกวินทบาทส่วนพระรูปนั้นก็จำใจเข้าทา ง, าาทางจงกรมทาความเพียรทางนี้ท่านทำเพื่ออนุเคราะห์พระที่เป็นขึ้นด้วยความบังเอิญไม่มีเจตนาแต่สุดวิสัยจะห้ามได้ท่านก็ทราบว่าพระรูปนั้นพยายามอยู่อย่างเต็มใจที่จะแก้เรื่องของตัวจึงต้องหาอุบายช่วยด้วยวิธีต่าง โดยม่ให้กระทบกระเทินจิตใจเธอแต่อย่างใดเวลากลับจากบินทบาทมาถึงที่พักแล้วก็พร้อมการจัดอาหารใส่บาตรเธอและสั่งให้พระไปนิมนต์เธอมาฉันหรือจะฉันณที่อยู่ของตนก็ได้ตามแต่สะดวกพอทราบเธอก็รีบมาฉันร่วมหมนะู่คณะขณะเธอเดินมาท่านก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่มองแต่พูดอย่างนิ่มนวลอ่อนหวานเพื่อประสานใจที่เป็นรอยร้าวตลอดมานั้นไม่ ปลารคเรื่องที่จะทําให้เสียใจใดๆเลยแม้เธอจะมาฉันร่วมโหมณะแต่ก็ฉันได้นิดเดียวพอเป็นพิธีไม่เสียมันญาติเท่านั้นวันนั้นพระที่อยู่ด้วยกันสองรูปคือรูปที่เหล่านี้ด้วยเพราะแต่ก่อนท่านยังไม่ทราบเรื่องพากันเกิดความสงสัยโดยคิดว่าแต่ก่อนท่านอาจารย์ไม่เคยทําอย่างนี้กับใครเลยแต่มาคราวนี้ท่านทําไมถึงทําอย่างนี้กับท่านองคนี้ชรอยท่านคงภาวนาดีแน่ ท่านถึงได้ช่วยสนับสนุนพอได้โอกาสก็แอบไปหาท่านองค์นั้นถามถึงการภาวนาว่าท่านอาจารย์ว่าท่านกําลังเร่งความเพียรจึงให้ไปบินธบาติแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านภาวนาดีที่นี่การภาวนาท่านเป็นอย่างไรบ้างนิมนเล่าให้ผมฟังบ้างพระรูปนั้นก็ยิ้มแหงๆแล้วตอบว่าผมจะภาวนาดียังไงท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็ทําท่าช่วยเสริมไปตามอุบายแห่งความฉลาดของท่านอย่างนั้นเอง ผู้ถามเซ้าซีให้เล่าให้ฟังตามความจริงต่างก็ไหลกันไปเลี่ยงกันมาอยู่พักหนึ่งและถามว่าที่ว่าท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็ช่วยเสริมไว้นั้นจะตายอย่างไรและช่วยเสริมอย่างไรเมื่อทนไม่ไหวเธอก็กําชับว่าไม่ให้เล่าถวายท่านอาจารย์ทราบเพราะท่านทราบเรื่องของผมละเอียดแล้วยิ่งกว่าผมทราบเรื่องของตัวไปไหนๆฉะนั้นผมจึงกลัวและอายท่านมากและพูดต่อไปว่าวานิร เราไปอาบน้ําด้วยกันที่แอ่งหินท่านได้เห็นอะไรบ้างขณะกําลังจะอาบน้ํารูปที่ถามตอบว่าก็ไม่เห็นเลยก็ไม่เห็นเห็นอะไรนอกจากผู้หญิงที่พากันมาจากไร่ผ่านไปบ้านตอนพวกเรากําลังจะอาบน้ํานั้นเท่านั้นพระที่ถูกถามตอบว่านั่นแหละท่านที่ผมจะตายอยู่ขณะนี้จนถึงกับท่านอาจารย์ไม่ยอมให้ผมไปบินทบาทท่านกลวจะไปสลบหรือตายอยู่ในบ้านขณะที่ จะไปเจอเข้าอีกอย่างไรเล่าผมจะภาวนาดีอย่างไรท่านทราบหรื อ, อยังว่าคนจะตายนั้นหรือคือคนภาวนาดีองค์ที่ถามตกตะลึงโอ้โหตายจริงท่านไปเป็นอะไรกับเขาพวกนั้นเข้าละ่ะกลุ่มนั้นตอบว่าผมจะไปเป็นอะไรกับเขานอกจากไปขโมยรักเขาเข้าโดยไม่รู้สึกตัวจนกรรมฐ า, านแตกกระเจิงไปหมดปรากฏแต่ความสวยงามกับความบ้ารักของผมเท่านั้นเหยียบย่ำทําลายหัวใจผมแทบตายทั้งคืนเมื่อคืนนี้ แม่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ลดละเรื่องบ้านนั่นเลยไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรกับมันท่านช่วยผมหน่อยได้ไหมน้าพ่อเมตตาอาบุญองค์ถามเวลานี้ก็ยังไม่ลดลงบ้างหรือเปล่าเธอตอบว่าซึ่งเป็นคําที่น่าสงสารอัมากมายองค์ถามถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยให้อุบายท่านคือถ้าท่านไม่สามารถรังคับมันได้ท่านฝืนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากมันจะคำเริบขึ้นเท่านั้นผมว่า ท่านควรหลีกจากที่นี่ไปหาภาวนาเสียที่อื่นจะดีกว่าถ้าท่านไม่สามารถกราเพลียนท่านอาจารย์ได้ผมจะช่วยกราบเพลียนท่านให้ว่าท่านประสงค์จะไปแสวงหาที่วิเวกใหม่เพราะอยู่ที่นี่ไม่สบายเข้าใจว่าท่านคงจะอนุญาตทันทีเพราะท่านก็ทราบเรื่องท่านดีอยู่แล้วโดยปริยายเป็นแต่ท่านยังไม่พูดเท่านั้นเกรงท่านจะอายท่านเธอก็เห็นดีด้วยและตกลงกันในขณะนั้นพอตกเย็นท่านที่จะช่วยอนุเคราะห์ ก็เข้าไปกราบเรียนท่านอาจารย์ท่านก็อนุญาตทันทีแต่มีปัญหาเน็บแนมมาด้วยอย่างลึกอย่างลึกลับว่าโรคการมีมันหายยากโรคที่มีเชื้อเดิมอยู่แล้วติดต่อลูกลามได้เร็วเท่านี้ท่านก็หยุดไม่พูดอะไรต่อไปอีกแม้ผู้ไปกราบเรียนก็ไม่เข้าใจปัญหาท่านเรื่องนี้ต่างคนต่างปิดกันคือผู้เป็นก็ปิดท่านอาจารย์ผู้อนุเคราะห์ช่วยเหลือก็ปิดท่านอีกแม้ท่านอาจารย์เองก็ปิดทั้งที่ทราบอย่างเต็มใจแล้วก็ทําเป็นเหมือนไม่ทราบ ต่างคนต่างไม่ยอมบอกความจริงต่อกันแต่ต่างฝ่ายต่างก็รู้เรื่องได้ดี ด, ด้วยกันวันหลังเธอก็เข้าไปกราบนมัสการลาท่านท่านก็อนุญาตให้ไปด้วยดีโดยไม่ได้พูดเรื่องเธอแต่อย่งางใดเธอไปพักอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งไกลจากหมู่บ้านนั้นมากถ้าไม่ใช่กรรมดังท่านอาจารย์ว่าจริงๆก็คงหวังพ้นภัยได้แน่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้อีกแต่ก็เจ้ากรรมอานิจจาเป็นดังท่านว่าไม่ผิดแม้กระเบียดเดียว พอเธอหายหน้าไปจากบ้านนั้นไม่นานนักลูกศรที่อยู่ทางนี้ก็คงเจ้ากรรมอย่างเดียวกันอีกอุตซาด้นดันเปะปะไปหาจนเจอเขาจนได้ซึ่งธรรมดาผู้หญิงป่าไม่เคยเป็นไปอย่างนั้นแต่ก็ได้เป็นไปแล้วจึงเป็นเรื่องน่าคิดอย่างยิ่งหลังจากท่านอาจารย์และหมู่คณะจากหมู่บ้านนั้นไปไม่นานนักก็ทราบว่าพระองค์นั้นศึกเพราะดมยาสลบซ้ําๆสักๆจนทนไม่ไหวสุดท้าย กามก็พาหมุนกลับมาได้เสียเป็นคู่ผัวตัวเมียกันกับสาวงามช า, าวเขาเผ่ามูเซอคนนั้นที่บ้านนั่นเองนับว่ากรรมเอาเสียจริงๆถ้าไม่กรมแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะเท่าที่พระองค์นั้นเล่าให้ฟังขณะที่ใจเริ่มกาเริบทีแรกก็เพิ่งเริ่มพบกันขณะเดียวเท่านั้นไม่ได้เคยพบเห็นและพูดจาพาทีกันที่ไหนมาก่อนเลยข้อนี้บรรดาพระที่อยู่ร่วมกันมาก็ยอมรับว่าเป็นความจริงเพราะอยู่ด้วยกันในวัดตลอดมา ไม่ได้ไปไหนมาไหนพอจะหลมตัวทั้งก็อยู่กับท่านพระอาจารย์เสเองอันเป็นสถานที่ให้ความปลอดปลอดภัยตลอดมาไม่มีข้อที่น่าสงสัยนอกจากเจ้ากรรมหรือคู่บาปคู่บุญมาถึงเข้าเท่านั้นเธอเล่าให้พระที่เคยอนุเคราะห์ฟังว่าเพียงประสาททางตากระทบกันเท่านั้นมันเหมือนดมยาสลบเข้าไปไม่ได้สติสตังเอาเลยปรากฏแต่ความรักความผูกพันมัดจิตใจจนแทบจะหายใจไม่ออก ทำให้จิตใจเซ่อซาบไปตามอารมณ์นั้นจนตัวไม่เป็นตัวของตัวและไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนคลายลงบ้างเลยเมื่อเห็นท่ามาเดชะ ก, ก็พยายามเปลกตัวหนีไปเจ้าของยาก็ตามมาเยี่ยมคนไข่อีกเรื่องกฎเสร็จกันเท่านั้นเองจะไปที่ไหนรอดใคใายไม่เคยถูกก็ดูยิ้มได้ถ้าถูกเข้าก็รู้เองเพราะไม่ใช่พระสุนทรสมุทรพอจะห่อออกจากทางทวารบนแห่งบ้านได้ตามปกติพวกนี้ไม่คุ้นกับพระแต่หากกรรมพาเป็นไปเอง เรื่องกรรมนี้จึงไม่สิ้นสุดอยู่กับผู้ใดเพราะกรรมมีอำนาจเหนือใครในโลกที่สร้างกรรมเพราะท่านอาจารย์ท่านทราบอย่างเต็มใจจึงต้องมีอุบายปฏิบัติต่อเธออย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยทําต่อผู้ใดมาก่อนเลยแต่ก็คงสดวิสัยท่านจึงไม่ได้แน่อุบายอะไรเพื่อเธอให้ยิงไปกว่าให้ยิงไปกว่าที่อนุเคราะห์มาแล้วนั้นเรื่องโกลงเ อ, อ่ยกันตรงที่เมื่อไปไม่รอดก็จําต้องจอะเรือซึ่งเป็นคติธรรมดาของโลกที่อยู่ใต้อำนาจของกรรม ดังนั้นจึงได้นําเรื่องนี้มาลงไว้เพื่อเป็นคติเตือนใจพวกเราที่อาจเป็นได้หากเป็นการไม่สมควรประการใดก็หวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคยก่อนจะมาถึงเรื่องนี้ได้กล่าวถึงความรู้พิเศษของท่านพระอาจารย์มั่นที่เคยดักจับขโมยพระได้ผลดีและเป็นเครื่องมือดักใจทายใจที่คิดนอกลูก่นอกทางให้รู้สึกและระมัดระวังตัวได้ดีเวลาท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่เมื่อมี พระปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวอาจหาทางความเพียรไปหาท่านมักจะใช้วิชาขแขนงนี้ช่วยในการสั่งสอนเสมอไม่ค่อยระวังว่าจะเกิดผลเสียหายตามมาดังที่ใช้กับผู้ไม่จังใจจริงจังโดยมากพระที่ไปอบรมเป็นผู้มุ่งต่ออัดต่อทำจริงๆพอรู้ตัวว่าผิดและท่านตักเตือนจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็พร้อมที่จะแก้ไขความผิดของตนอย่างเต็มสติกำลัง ไม่ละอายและกลัวท่านในสิ่งที่ตนพลังเผลอเม่ได้รับคำตักเตือนจากท่านโดยวายต่างๆการอบรมสั่งสอนท่านเมตตาแสดงอย่างถึงใจผู้ฟังจริงๆไม่ปิดบังลีลับทั้งความรู้ภายในและการชี้แจงก็ชี้แจงไปตามความบกพร่องของผู้มาศึกษาผิดถูกอย่างไรก็ว่ากล่าวสั่งสอนกันไปตามเรื่องเจตนาหวังสงเคราะห์จริงๆผู้มาศึกษาก็ไม่แสดงอาการกระด้างวางตัว ในลักษณะผู้ไม่ยอมรับความจริงหรือหยิงในภูมิว่าตนได้รับการศึกษามามากซึ่งตามธรรมดามักมีแทรกอยู่เสมอการอธิบายทำของท่านกําหนดแน่นอนไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ไปศึกษาเป็นรายรายไปผู้ไปศึกษามีภูมิธรรมขั้นใดก็อธิบายให้ฟังตามจุดที่สําคัญสําคัญทั้งจุดที่เห็นว่าถูกต้องแล้วเพื่อส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นไปทั้งจุดที่เห็นว่าไม่ถูกและล่อแหลมต่ออันตราย เพื่อผู้นั้นจะมีทางรดละปล่อยวางไม่ดำเนินต่อไปการแสดงธรรมแก้จิตใจของนักปฏิบัติธรรมที่ไปศึกษาไต่าถามรับว่าท่านอธิบายอย่างมั่นเหมาะตามจุดแห่งความสงสัยไม่ผิดพลาดผู้ไปศึกษาไม่ผิดหวังเท่าที่ทราบมาซึ่งควรจะพูดได้ว่าร้อยทั้งร้อยต้องมีหวังถ้าเป็นทางจิตตะภาวนาเพราะท่านชำนิชำนาญทางจิตตะภาวนามากนับแต่ขั้นต่ำถึงขั้นสูงสดุด ไม่มีอะไรบกพร่องการแสดงออกแห่งธรรมแต่ละประโยคจึงจับใจเพาราะหาทางเสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันแสดงเรื่องศีลก็น่าฟังแสดงสมาธิทุกขั้นและปัญญาทุกภูมิก็ถึงใจอย่างยิ่งฟังแล้วทำให้อิ่มเอิบเพลิดเพลินไปหลายวันกว่าความรู้สึกนั้นจะจางลงปกติที่ท่านอยู่ในป่าในเขาโดดเดียวแต่ผู้เดียวในเวลาบาเพ็ญเพื่อทาเบื้องสูง ท่านว่าท่านอยู่กับความเพียรทางใจแทบตลอดเวลาจะมีเวลาว่างเฉพาะเวลาหลับนอนเท่านั้นนอกนั้นเป็นความเพียรล้ว น, วนโดยไม่ได้กาหนดอิริยาบถใดๆเลยการพิจารณาธรรมภายในเพื่อถอดถอนกิเลสมีสติปัญญาเป็นเพื่อนสองคือท่านพูดคุยโต้อตอบกับกิเลสด้วยสติปัญญามีความมุ่งมั่นเพื่อแดนพ้นทุกข์เป็นสื่อชวนให้คุยกับสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ได้พูดคุยด้วยปากเหมือนเราคุยกันหลายคน หากแต่พูดคุยด้วยการคิดการไตรตรองการโต้อตอบกับกิเลสภายในด้วยสติปัญญากิเลสผู้คอยหาช่องทางออกตัวจะออกทางใดช่องใดหรือตบต่อยผูกมาท่านด้วยโกลอุบายใดท่านก็ใช้สติปัญญาตามต้อนตบตีขยี้ขยันกิเลสโดยอุบายต่างๆจนเอาชนะไปได้เป็นพักๆจุดใดที่ท่านทราบว่ากิเลสยังเหนือกว่าอยู่ก็พยายามส่งเสริมอาวุธคือสติปัญญาสัทธาความเพียรให้มีกำลัง ขึ้นโดยลำดับจนกว่าจะเหนือกว่ากำลังของกิเลสที่เป็นฝ่ายข่าศึกจนเอาชนะไปได้โดยตลอดถึงขั้นโลกธาตุวันไหวภายในใจขณะเจ้าผู้ครองวัฏจิตถูกทำลายลงด้วยมรรคยานดังที่เขียนผ่านมาแล้วนี่เป็นวิธีดำเนินความเพียรท่านในขั้นสุดท้ายคือการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนาท่านไม่ได้กาหนดเวลาแต่ถือเอาความเพียรเพื่อชชยชนะเป็นที่ตั้งไปตลอดสาย มีสติปัญญาเป็นเครื่องดำเนินพอพ้นจากดงหนาฝาทึบไปได้แล้วท่านว่าเครื่องมือเข้าสู่สงครามคือสติปัญญาประเภทนั้นย่อมหมดปัญหาไปเองเหลือแต่สติปัญญาที่ใช้อยู่ประจําขันเท่านั้นเวลาต้องการใช้เพื่อคิดอัคิดทำเลืกอนตื่นยาละเอียดหรือธุระอย่างอื่นก็นํามาใช้เป็นครกคราวไปพอสิ้นเรื่องแล้วก็ระ ง, งับไปในที่นั้นเองไม่มีการเตรียมลุกตรียมรบกับอะไรดังที่เคยเป็นมา ถ้าไม่มีข้ออัดข้อทำมาสัมผัสจิตพอจะให้คิดอ่านไตรตรองไปตามก็อยู่ไปเหมือนคนไม่มีสติปัญญาหรือเหมือนคนโง่แบบไม่เอาเรื่องเอาทานกับอะไรที่เคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างชนรมุล ว, วุ่นวายนั่นเลยปรากฏมีแต่ความสงบสุขเด่นอยู่ในใจประเภทอาการลิโกเท่านั้นไม่มีอะไรไมายุ่งเกี่ยวถ้าอยู่ลำพังใจที่สงบราบคาบจากสิ่งทั้งหลายไม่คิดไปถึงเรื่องเคยมีเคยเป็นที่อยู่ตามธรรมชาติของเขา ทั่วไตรโลกธาตุก็เป็นเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยประหนึ่งดับไปพร้อมกับกิเลสโดยสิ้นเชิงเวลามีหมู่คณะเข้าไปอาศัยอบรมด้วยก็มีการประชุมให้โอววาสสั่งสอนคอยตักเตือนว่ากล่าวในเวลาที่เห็นว่ารายใดไม่สู้งามตางามใจหรือทราบเรื่องของใครในทางจิตตะภาวนาโดยการแสดงภาพนิมิตของผู้นั้นให้ปรากฏเป็นความไม่ดีไม่งามข้ดี โดยการรู้ขณะจิต ท, ที่คิดไปนอกรู้นอกทางก็ดีก็ต้องแสดงอุบายเป็นเชิงเปรียบเปรยให้เจ้าตัวรู้เพื่อทําความสำรวมระวังต่อไปการแสดงภาพนิมิตให้ปรากฏแก่จิตตภาวนานั้นจะขอยกตัวอย่างมาให้ท่านผู้อ่านทราบพอเป็นเครื่องเทียบเคียงกับนิมิต ท, ทั้งหลายที่เคยปรากฏแก่จิตตภาวนาของท่านพระอาจารย์มั่นเสมอมาซึ่งมีลักษณะต่างๆกัน ตามรูปการของผู้เป็นต้นเหตุแห่งนิมิตนั้นนั้นคือมีพระรูปหนึ่งเมื่อเป็นคราวาดเธอเคยเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงในวงการมวยเวลาบทแล้วเกิดความเลื่อมใสยอยากออกปฏิบัติธุดงกรรมฐานได้ทราบคติศักด์กิติคุณของท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นพระปฏิบัติ ด, ดีและเชี่ยวชาญทางกิตตภาวนาหน้าเคารพเลื่อมใสามากจึงออกเดินทางมุ่งหน้าไปไปสนักท่านพระอาจารย์มั่น แต่ขณะที่จะออกเดินทางไปหาท่านไม่ได้นึกเฉลียวใจเรื่องของตัวคือเธอได้ถ่ายภาพนักโมยชกตันท่าต่างๆไว้ในกระเป๋าราวสิบกว่าแผ่นติดย่ามไปด้วยแต่ตอนเธอถ่ายภาพนั้นจะถ่ายแต่เมื่อไรท่านไม่ได้เล่าให้ฟังเวลาเธอออกเดินทางจากพระนครไปเชียงใหม่หาท่านพระอาจารย์มั่นที่อยู่ในภูเขาลึกจึงนําติดตัวไปด้วยพอไปถึงก็กราบรายงานตัวและ ความประสงค์ถวายท่านให้ทราบขณะนั้นท่านก็ไม่ได้พูดเป็นเชิงตำหนิหรือชมเชยแต่อย่างใดเป็นอันว่าท่านรับพูอยู่ในสำนักด้วยตกกลางคืนท่านคงพิจารณาเรื่องพระรูปนั้นอย่างละเอียดแน่นอนพอตอนเช้าเวลาพระมารมกันที่บริเวณที่ฉันท่านก็ออกมาพอดีและเริ่มพูดเรื่องพระรูปนั้นออกมาทันทีว่าท่านองค์นี้ตามเจตนตามเจตนาเดิมก็มุ่งมาเพื่อศึกษาอธรรม มองดูอาการกิริยาที่แสดงออกก็ไม่แสลงหูแสลงตาเป็นกิริยาที่น่าสงสารแต่คืนนี้ทําไมท่านนี้แสดงกิริยาหน้ากลัวพิล่ะคือผมกําลังนั่งภาวนาอยู่ปรากฏว่าท่านเดิน ม, มาหยุดตรงหน้าผมห่างกันประมาณหนึ่งวาเศษแล้วตั้งมาตั้งมวยออกท่านั่นท่านี้ให้ผมดูอยู่พักใหญ่แล้วค่อยถอยห่างออกไปจากนั้นก็เดินชกลมชกแรงเตะเมฆเตะหมอกเตะท้ายทีป๋าไปจนลับสายตา ท่านนี้เคยเป็นนักมมยมาหรืออย่างไรก่อนจะมาบวชถึงได้แสดงรวดลายนักมมยให้ดูเป็นการใหญ่ขณะนั้นพระที่อยู่กับท่านและพระที่เป็นนักมวยต่างนั่งนิ่งเงียบด้วยความชงนสนเทศเฉพาะรูปนั้นมองดูหน้าซีดเซียวไปหมดว่าอย่างไรท่านท่านเป็นอย่างไรในความรู้สึกถึงได้มาทำอย่างนั้นให้ผมดูแต่ดีอยู่หน่อยที่ไม่มาต่อยเอาผมเข้าเช้าวันนั้นท่านพูดเพียงเท่านั้นก็ยุติ เพราะในเวลาออกบินธบาติหลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปอีกตกกลางคืนท่านอบรมพระเสร็จแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปเรื่องก็ไม่มีอะไรเพราะตกกลางคืนท่านคงพิจารณาพระรูปนั้นอีกจึงได้เรื่องพระรูปนั้นมาพูดอีกในเชา้าวันต่อมาว่าท่านองค์นี้ท่านมาหาผมเพื่ออะไรแน่คืนนี้ท่านก็มาตั้งมาตั้งมวยโดดโน้นเตะนี่ให้ผมดูเกือบตลอดคืน เรื่องท่านแสดงความผิดปกติของพระผู้มาด้วยเจตนาหวังดีมาได้สองคืนแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไรทั้งก่อนจะมาหาผมและขณะที่มาอยู่กับผมขณะนี้นิมนต์ท่านเล่าความจริงให้ผมฟังด้วยไม่เช่นนั้นผมเห็นจะรับท่านไว้ในสำนักไม่ได้เพราะเป็นมาได้สองคืนแล้วที่ผมไม่เคยปรากฏในลักษณะนี้มาก่อนเลยพระรูปนั้นนั่งตัวสั่นเทาๆมองดูหน้าซีดไปหมดเหมือนคนจะเป็นลมและจะล้มลงในขณะนั้น พอดีมีพระรูปหนึ่งท่านเห็นท่าไม่ดีเลยรีบกราบเรียนขอโอกาสท่านอาจารย์มั่นพูดกับเธอซึ่งกำลังจะสลบอยู่ในขณะนั้นว่านิมนต์ท่านกราบเรียนท่านอาจารย์โดยตรงตามเรื่องที่ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเพราะเท่าที่ท่านอาจารย์ถามก็เพื่อทราบความจริงเท่านั้นไม่ได้มุ่งความเสียหายหแก่ท่านแม้น้อยแต่อย่างไรเท่าที่พกผมอยู่กับท่านมาก็ใช่อยู่ด้วยกันด้วยความบริสุทธิ์ปลดพ้นจากกิเลส โดยไม่มีความผิดที่จะมิให้ท่านดุด่าว่ากล่าวอะไรได้แต่อยู่ด้วยกันในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์ซึ่งเหมือนพ่อแม่กับลูกอยู่ด้วยกันย่อมมีการดุด่าว่ากล่าวกันตลอดมาในเมื่อผู้ใดทำผิดหูผิดตาท่านในฐานะที่ท่านเป็นครูอาจารย์ผู้สอดส่องมองดูเพื่อความดีงามของบรรดาศิษย์ก็จำต้องมีการสอบถามและว่ากล่าวสั่งสอนไปตามเหตุการณ์พวกผมเคยถูกดุด่าว่ากล่าวจากท่านมาเป็นประจำ ยิ่งกว่าที่ท่านว่าให้ท่านสีอีกขนาดไล่หนีจากวัดในเดี๋ยวนั้นก็ยังมีแต่ก็ยังอยู่กับท่านมาได้จนทุกวันนี้เมื่อรู้สึกโทษและยอมตนว่าผิดแล้วท่านเองก็ไม่เห็นขับไล่สายส่งไปไหนอีกคงอยู่ด้วยกันมาดังที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้แหลคคำที่ท่านกำลังเตือนท่านอยู่ขณะ น, นี้ขอนิมนพิจารณาด้วยดีตามที่พวกผมฟังดูแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรพอจะโปรท่านจนเลยข อ, อบเขตแห่งความพอดี ถ้าท่านมีอะไรก็นีมวลกลาเปลียนท่านตามความจริงเมื่อไม่มีอะไรผิดหรือสุดวิสัยที่จะคิดค้นมาเล่าถวายได้ก็กาลาเปลียนท่านโดยตรงว่าสุดวิสัยที่จะตามรู้ในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วท่านจะฆ่าก็ยอมตายท่านจะขายก็ยอมเป็นสินค้าท่านจะขับไล่สส่สงไปไหนก็สุดแต่กรรมของตัวจะพาให้เป็นไปดังนี้แล้วเรื่องก็จะยุติลงได้พอท่านองค์นั้นพูดจบลง ท่านอาจารย์ก็ถามเธอซ้ำอีกว่าว่าอย่างไรเล่าท่านผมเองก็ไม่ได้คิดจะหาเรื่องหาราวอะไรใส่ท่านโดยไม่มีสาเหตุแต่พอหลับตาลงไปก็เห็นแต่เรื่องท่านมากว้างหน้าอยู่แทบทั้งคืนจนเกิดความสลดสังเวชใจว่าพระทั้งองค์ทําไมมาเป็นได้อย่างนี้และเป็นได้ทุกคืนที่ท่านมาอยู่กับผมที่นี่แล้วก็ต้องถามท่านผูน้เป็นต้นเหตุว่าท่านจะมีอะไรที่ไม่ดีไม่งามอยู่บ้างจึงมาแสดงเหตุอย่างนั้นไม่ยอมลดละ หรือว่าความรู้ผมซึ่งเคยเชื่อแน่ในใจตลอดมานั้นมันหลอกลวงผมและทำให้ท่านเสื่อมเสียไปด้วยจึงขอให้ท่านพูดตามความศาสตร์ความจริงให้ผมฟังถ้าท่านยังบริสุทธิ์ดีอยู่เป็นแต่ความรู้ผมมันพาให้เป็นบ้าไปเองก็เท่ากับผมก็เป็นพระบ้าองค์หนึ่งซึ่งไม่ควรอยู่กับหมู่คณะต่อไปจะทำให้หมู่พวกล่มจมไปด้วยต้องหนีไปเที่ยวซุกซ่อนตัวอยู่ตามแบบบ้าของตน และต้องระ ง, งับการอบรมสั่งสอนใครๆทันทีขืนสั่งสอนต่อไปโลกจะจีบหายลมจมไปสมุหมดเพราะความรู้บาบาของผมเพียงคนเดียวเป็นสาเหตุท่านที่เคยเตือนเตือนเธอซ้ำอีกเธอจึงเริ่มกลาาเปลียนเรื่องราวต่อท่านอาจารย์ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแทบไปเป็นเสียงผู้เสียงคนว่าผมเป็นนักมวยเท่านี้ก็หยุดเอาอย่างหุนหนท่านถามย้ำอีกว่าท่านเป็นนักมวยใช่ไหม เธอตอบว่าใช่เพียงคําเดียวเท่านั้นท่านถามว่าก็ท่านกําลังเป็นพระอยู่แล้วไปเป็นนักมวยได้อย่างไรกันหรือเวลาท่านมาที่นี่ก็ชกมวยหาเงินมาตามทางด้วยอย่างนั้นหรือท่านถามอะไรเธอเป็นเหมือนไม่มีสติรับทราบเรื่องผิดถูกดีชั่วอะไรเลยมีแต่ทับเอาซเรื่อยท่านที่เคยพูดกับเธอจึงถามเป็นเชิงชักจูงให้เธอได้สติรับทราบบังว่ามิใช่ท่านเคยเป็นนักมวยแต่คาเป็นครว่าโน้นเวลามาบวชเป็นพระแล้ว ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกไม่ใช่หรือเธอตอบว่าใช่เป็นนักมวยมาแต่คราเป็นคราวา่าดแต่เวลามาบวชเป็นพระแล้วไม่ได้เป็นอีกท่านอาจารย์มั่นเห็นอาการไม่ดีจึงหาอุบายว่าได้เวลาบิณฑบาตหลังจากนั้นท่านก็สั่งพระให้ไปสอบถามเธอโดยเฉพาะเพราะเธอพูดกับท่านอาจารย์ไม่ได้เรื่องเนื่องจากเธอกลัวท่านมากหลังจากถันเสร็จแล้วพระที่เคยพูดกับเธอจึงถือโอกาสไปสอบถามเธอโดยเฉพาะก็ได้ความว่า เธอเคยเป็นนักมวยสวนกุหลาบผู้มีชื่อเสียงมาหลายปีเกิดควาเมเบื่อหน่ายทางคารวะจึงออกบวชเป็นพระมุ่งหน้ามาหาท่านอาจารย์พอได้ทราบความชัดเจนจากเธอแล้วก็มากราบเรียนท่านอาจารย์ให้ทราบตามเรื่องที่เป็นมาท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อไปเรื่องของเธอก็เป็นอันผ่านไปนึกว่าจะเสร็จสิ้นเรื่องของเธอไปเรียบร้อยแล้วเพราะตอนกลางคืนท่านให้อวาาเธอองค์นั้นบ้างแล้วก็คงจะไม่ปรารบละไอีก แต่ที่ไหนได้ตอนกลางคืนท่านพิจารณาเรื่องของเธออีกตอนเช้าก็ได้เรื่องเธอมาพูดในถ้ำกลางหมู่คณะอีกตามเคยว่าเรื่องท่านองค์นี้ยังไม่มีแต่กวางเคยเป็นนักมวยเท่านั้นแต่ยังมีอะไรแฝงอยู่อีกขอให้ท่านไปพิจารณาให้ดีอีกทีเพียงเคยเป็นนักมวยมาแต่คราวาเท่านั้นเรื่องก็ควรยุติไปแล้วไม่ควรมาปรากฏซ้ำซ้ ำ, ซ, ำซากซากอีกทำนองนี้พูดเพียงเท่านั้นก็หยุดพอได้โอกาสพระองค์ที่คุ้นเคยกับเธอก็ไปหาเธอ และถามเรื่องราวนั้นอีกก็ทราบว่าเธอมีรูปภาพคนชกมวยท่าต่างๆติดมาด้วยจึงให้เธอเอาออกมาดูก็ได้เห็นภาพมวยท่าต่างๆราวสิบกว่าแผน่นพระที่ไปดูก็ปักใจลงว่าต้องเป็นภาพนี้แน่นอนที่ทําให้ท่านเดือดร้อนอยู่ไม่หยุดจงเอาไปทิ้งหรือเผาไยเสียเธอก็ปฏิบัติตามและพากันเอาภาพนั้นไปเผาไฟทิ้งจนหมดจากนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปต่างอยู่ด้วยควาสมสงบสุข เธอเองก็เป็นพระปฏิบัติดีมีมัญญาตาที่น่าเลื่อมใสท่านอาจารย์เองก็เมตตาเธอมากตลอดมาโดยมิได้พูดถึงเรื่องอดีตของเธออีกต่อไปจากนั้นเธอก็อยู่ด้วยความผาสุกเวลามีโอกาสพระก็ถามเป็นเชิงล้อเล่นกับเธอเกี่ยวกับเรื่องอดีตเธอพูดให้พระฟังถึงเรื่องท่านอาจารย์รู้เธอว่าเธอตายไปครึ่งหนึ่งแทบไม่มีความรู้สึกรับรู้เรื่องดีชั่วอะไรเลยจึงได้ตอบท่านไปแบบคนตายครึ่งม่ใช่คนเต็มเต็ง ถ้าท่านไม่ช่วยเมตตาอนุเคราะห์แล้วคงจะเป็นบ้าไปเลยวงเล็บเปิดคำว่าท่านหมายถึงพระองค์ที่ช่วยพูดแทนวงเล็บปิดไม่มีวันกลับเป็นคนดีได้แน่แน่แต่ท่านอาจารย์เองท่านก็ฉลาดมากพอเห็นเราจะเป็นบ้าและตายต่อหน้าท่านท่านก็รีบระงับเรื่องลงทันทีแล้วพูดเรื่องอื่นมากลบเสียทําเป็นเหมือนไม่มีเรื่องนี้อยู่ในใจท่านเลยนี่คือภาพที่ปรากฏทางนิมิตภาวนาที่ท่าน เคยใช้เป็นคู่เคียงกันตลอดมาไม่ได้ลดละเพราะเป็นธรรมจาเป็นไม่ด้อยกว่าปรัชญาวิชาการกําหนดรู้วรารจิตของผู้อื่นท่านเล่า ว, ว่าท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่มีประสบเหตุการณ์ทั้งภายในโดยเฉพาะและเกี่ยวกับสิ่งภายนอกมากมายกว่าที่ทั้งหลายที่เคยผ่านมาในชีวิตแห่งนักบวชสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นก็รู้เห็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาทั้งหน้าตื่นเต้นอัปยันตลอดมายิ่งเวลาพักอยู่คนเดียวด้วยแล้ว ก็ยิ่งพบเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นของลึกลับมากมายแม้ตัวเองก็ไม่อาจจะประมาณได้เพราะจิตที่เป็นธรรมชาติรู้เห็นตามวิสัยของตนหากรู้เห็นอยู่ทำนองนั้นรู้เห็นในเวลาเข้าที่ก็มีเวลาธรรมดาก็มีจึงน่าแปลกประหลาดและอัศจรรย์จิตดวงที่เคยโง่และมืดมิดปิดทวานมาแต่ก่อนซึ่งไม่คาดฝันว่าจะสามารถรู้เห็นได้ดังที่รู้เห็นเห็นอยู่กับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องในปัจจุบัน หนึ่งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นๆเพิ่งจะมีขึ้นในปัจจุบันทั้งที่เคยมีอยู่ดั้งเดิมแต่การไหนการไรมานอกจากเวลาจิตเข้าพักสงบเต็มที่ล่วงเลยเหตุการณ์ต่างๆที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องถึงเท่านั้นจึงไม่มีอะไรปรากฏในเวลานั้นจิตพักอยู่ด้วยธรรมธรรมอยู่ด้วยจิตจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเป็นเอกภาพคือธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันไม่มีสองกับอะไรไม่มีส ม, มุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้อง การไม่มีสถานที่ไม่ปรากฏขันไม่มีในความรู้สึกสุขทุกขที่เป็นสมมุติไม่ปรากฏถ้าจิตไม่ถอนขึ้นมาจะอยู่ไปกี่วันกี่เดือนปี่ ป, ปีหรือกี่ขับกี่การก็ไม่ปรากฏสมมติมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเข้าไปรบกวนเพราะเป็นความดับสมมุติอย่างสนิทแม้สมมติทั้งหลายมีขันที่กําลังครองตัวอยู่เป็นต้นเกิดขโมยแตกสลายไปในขณะที่จิตกําลังพักอยู่ในนิโรธธรรม คือความดับสมมติทั้งหลายก็คงไม่มีทางทราบได้กิจคงเป็นสภาพนั้นไปเลยนี่เป็นเพียงพูดตามความเป็นของกิจในเวลาเข้าพักระ ง, งับดับส ม, มุติชั่วคราวคงไม่พักตลอดไปเป็นปีๆดังที่ว่านั้นเช่นเดียวกับคนนอนหลับสนิทย่อมหมดการรับทราบในขันแม้จะหลับไปกี่วันก็คงเป็นทนองคนนอนหลับอยู่นั่นเองนอกจากเวลาตื่นนอนขึ้นมาแล้วถึงจะรับทราบความสุขทุกขไปตามหน้าที่ที่เคยรับ แต่การเข้าพักสงบจิตจะเป็นพักสงบธรรมดาหรือพักในนิโรธสมาบัติก็เป็นสมมติอยู่โดยดีเป็นแต่ผู้เข้าพักเป็นผู้พ้นจากสมมติแล้วเท่านั้นกิริยาแห่งสมมติทั้งปวงจึงไม่สามารถทำวิสุทธิจิตนั้นให้กำเริบเป็นอื่นได้คงเป็นวิมุตติจิตยอยู่ตามเดิมในฐานะเป็นอาการลิกจิตคือจิตที่พ้นจากการสถานที่เป็นต้นไปแล้วเป็นจิตที่หมดความคาดหมายดลเดาใดๆทั้งสิน้น จึงไม่ควรคาดหมายด้นดาวให้เสียเวลาและลำบากเปล่าขณะจิตที่พักตัวอยู่ในความสงบลบสมมติทั้งหมวนแล้วไม่รับธุระหน้าที่ใดๆฉะนั้นสิ่งที่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องให้รู้เห็นจึงระ ง, งับดับศูนย์ไปหมดเวลานั้นต่อเมื่อถอนออกจากสมาธิสมาบัติออกมาอยู่ขั้นอุปจารสมาธิหรือเป็นวิสุทธิจิตธรรมดาแล้วถ้ามีเหตุควรรู้จิตควรควรู้จึงจะรู้ และรับทำธุระไปตามหน้าที่และกําลังของตนต่อไปตามการอันควรท่านว่าจิตท่านเปิดเผย ด, ด้วยเหตุการณ์อยู่เสมอทั้งอยู่ในอุปจารสมาธิและอยู่ปกติธรรมดาต่างกันเพียงลึกตื้นยาละเอียดหรือกว้างแคบเท่านั้นถ้าต้องการความละเอียดและกว้างขวางต้องเข้าอุปจารสมาธิพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตาพิเศษหูพิเศษก็เช่นกันต้องเข้าอุปจารสมาธิสงบอารมณ์เลน้อ ย, อยแล้วคอยรับทราบ จะทราบทางรูปคนเสียงคนหรือรูปสัตว์เสียงสัตว์หรือมากไปกว่านั้นตามแต่ความประสงค์จะทราบก็าทราบได้เหมือนเห็นด้วยตาเนื้อฟังด้วยหูหนังเรื่องทั้งนี้ท่านเคยเล่าให้ฟังเวลาท่านไปพักอยู่กับพวกชาวเขาซึ่งไม่เคยเห็นพระสงฆ์เป็นส่วนมากนอกจากผู้มีโอกาสได้ลงมาเมืองหรือหมู่บ้านที่มีพระสงฆ์ถึงจะมีโอกาสได้เห็นบ้างขณะท่านไปถึงทีแรกสอ ง, ององค์ด้วยกัน ก็พากันพักอยู่ชายภูเขาห่างจากหมู่บ้านชาวเขาราวสองกิโลเมตรพักอยู่ร่วมไม้ธรรมดาตอนเช้าพากันเข้าไปบินธบาตคนชาวเขาเห็นท่านเข้าไปบินธบาตก็ถามท่านว่าตุเจ้ามาธุระอะไรท่านก็บอกว่ามาบินทบาตเขาถามว่ามาบินธบาตอย่างไรเพราะพวกเขาไม่เข้าใจท่านบอกว่าบินธบาตข้าวเขาถามว่าข้าสุกหรือข้าสารท่านบอกว่าข้าสุก เขาก็บอกกันให้หาข้าวสุกมาใส่บาตรท่านได้แล้วก็กลับมาที่พักและฉันแต่ข้าวเปล่าๆอยู่นานขณะไปพักอยู่ที่นั้นทีแรกชาวบ้านเขาไม่มีความเลื่อมใสและไว้วางใจท่านเลยตกกลางคืนหัวหน้าบ้านตีเกราะนัดให้ชาวบ้านมาประชุมรวมกันและประกาศว่าขณะนี้มีเสือเย็นสองตัวหมายถึงท่านอาจารย์กับพระที่อยู่ด้วยกันสององค์มาพักอยู่ในป่าแห่งนั้นจะเป็นเสือเย็นประเภทใดก็ยังทราบไม่ได้ พวกเราไม่ไว้ใจเสือเย็นสองตัวนั้นจึงห้ามไม่ให้เด็กและผู้หญิงเข้าไปในป่านั้นแม้ผู้ชายจะไปก็ควรมีพวกมีเพื่อนและมีเครื่องมือติดตัวไปด้วยไม่ควรไปคนเดียวและไปแต่ตัวเปล่าๆ เ, เดี๋ยวเสือเย็นสองตัวนั้นเอาไปกินจะว่าไม่บอกขณะที่เขากําลังประชุมประกาศเรื่องเสือเย็นให้ชาวบ้านทราบก็เป็นเวลาที่ท่านอาจารย์กําลังเข้าที่ภาวนาอยู่พอดีเรื่องที่เขาประกาศให้ชาวบ้านทราบทั้งหมดจึงเป็นเหมือนประกาศให้ท่าน ซึ่งกำลังตกอยู่ในคำกล่าวหาว่าเป็นเสือเย็นซาบด้วยโดยตลอดท่านเกิดความสลดสังเวชใจยอย่างยิ่งที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าตนจะเป็นพระประเภทเสือเย็นดังคำกล่าวหาขณะนั้นแทนที่ท่านจะโกรธและเสียใจในคำกล่าวหาของเขาแต่กลับเกิดความเมตตาสงสารเขาอย่างบอกไม่ถูกกลัวเขาผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีจํานวนมากจะพลอยเชื่อตามคําเหลวไหลนั้นและพลอยเป็นบาปหากรรมไปตามๆกัน เมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วเขาจะไปเกิดเป็นเสือกันทั้งบ้านพอตื่นเชา้าท่านก็รีบบอกกับพระที่อยู่ด้วยว่าคืนนี้พวกชาวบ้านเขาประชุมประกาศกันว่าเราทั้งสององค์เป็นเสือเย็นที่ปลอมแปลงตัวเป็นพระมาหลอกลวงอย่างแยกยลลึกลับเพื่อให้เขาตายใจเชื่อถือแล้วกลับทําลายชีวิตทรัพย์สินเขาด้วยวิธีต่างๆฉะนั้นเขาจึงไม่เลื่อมใสและไว้ใจพวกเราทั้งสองเลยเวลานี้หากพวกเราทั้งสองหนีไปจากที่นี่เสีย ในเวลาที่เขากำลังคิดไม่ดีอยู่ขณะ น, นี้เวลาเขาตายไปจะพากันไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเสือกันทั้งบ้านซึ่งนับว่าเป็นกรรมเก่าเขาไม่เบาเลยเพื่อความอนุเคราะห์เขาซึ่งควรแก่สมณกิจที่พอทาได้จึงควรอดทนอยู่ที่นี่ไปก่อนแม้จะทุกข์ลาบากก็พยายามอดทนไปจนกว่าเขาจะพากันกลับใจได้แล้วจะไปที่ไหนค่อยไปกันดังนี้นอกจากเขาไม่ไว้ใจและเลื่อมใสแล้ว พวกผู้ชา ย, ยังพาคันมาคอยสังเกตการตามสถานที่ที่ท่านพักอยู่บ่อยๆครั้งละสามสี่คนโดยมีเครื่องมือติดตัวมาด้วยมายืนรอบๆมองๆ อ, อยู่แถวบริเวณใกล้ๆบ้างมายืนอยู่ข้างทางจงกรมบ้างมายืนอยู่ที่หัวจงกรมบ้างมายืนอยู่กลางทางจงกรมบ้างในเวลาท่านกําลังเดินจงกรมทำความเพียรอยู่ต่างคนต่างจ้องและสอดสายสายตามองมายังท่านและเหลือบมองไปรอบๆ บ, บริเวณ เขาใช้เวลาสังเกตการด้วยความไม่ไว้ใจอยู่ทั้นองนั้นนานประมาณครั้งละสิบนาทีบ้างสิบห้านาทีบ้างแทบทุกวันและไม่พูดจาใส่ถามอะไรกับท่านในระยะเริ่มแรกแล้วก็พากันกลับไปวันหลังได้โอกาสก็พากันมาใหม่เขาใช้เวลาสังเกตท่านอยู่นานวานันพอพ อ, พอสมควรส่วนอาหารปัจจัยเครื่องอาศัยเป็นอยู่หลับนอนของพระเสือเย็นทั้งสองตัวจะขาดตกบกพร่องหรือจะเป็นจะตายอย่างไรบ้างนั้น เขาไม่ได้พากันสนใจคิดและขวนขวายกันเลยฉะนั้นการเป็นอยู่ของท่านทั้งสองที่เขาให้น้ำวเสือเย็นจึงลำบากอันตรับมากอาหารบินทบาทอย่างมากก็ได้เข้าเปล่าเปล่ามาฉันบางวันรวมทั้งฉันน้ำด้วยก็อิ่มพอเบะบะบางวันรวมทั้งฉันน้ำก็ไม่พอที่อยู่หลับนอนก็อาศัยคนไม้เป็นประจำทั้งแดดทั้งฝนก็ทนเอาเพราะที่นั้นไม่มีถ้ำหรือเงื่อนผาพอได้อาศัยถ้าฝนตกชุกมาก ในบางวันตกทั้งวันพอฝนเบาลงบ้างก็พยายามเที่ยวเก็บใบไม้แห้งหญ้าแห้งมาทําเป็นจากมุงพอบางแดดบางฝนไปพลางพอประทังชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยความทุกข์ลำบากมากมายขณะฝนตกก็เข้าหลบซ่อนอยู่ในกรดในมุงพอบรรเทาความหนาวเวลาลมพัดจากภูเขามาอย่างแรงฝนก็สาดกรดก็จะปลิวหลุดมือองค์ท่านและบริหารก็เปียกตัวสั่นเหมือนลูกนกลู ก, กา ถ้าเป็นตอนกลางวันก็พอทำเนามองเห็นที่ไปที่หลบซ่อนและที่เก็บบริหารต่างๆบ้างแต่ฝนตกเอาตอนกลางคืนรู้สึกลำบากมากตาเขามองไม่เห็นอะไรทั้งฝนกระหน่ำลงลมกระหน่ำมาประดังกันกิ่งไม้ที่ถูกลมพัดอย่างแรงตานขอขาดตกลงข้างหน้าข้างหลังตูมตามตูมตามไม่แน่ใจว่าชีวิตจะต้านทานฝนต้านทานลมต้านทานความเหน็บหนาวหรือจะต้านทานกิ่งไม้น้อยใหญ่ที่หักตกลง แล้วโหมกันมาจากที่ต่างๆในขณะนั้นเมื่อชีวิตยังอยู่ก็ทนกันไปร้อนก็ทนไปหนาวก็ทนไปหิวก็ทนไปกระหายก็ทนไปอดบ้างอิ่มบ้างก็ทนไปจนกว่าจะหมดกลิ่นแห่งความระแวงสงสัยของชาวบ้านที่หวาดระแวงต่อท่านกว่าเป็นเสือเย็นคอยหลอกลวงกินเนื้อกินหนังเขาการขบฉันแม้เพียงข้าวเปล่าก็อดมื้ออิ่มมือ้อสิ่งอื่นนั้นไม่จาต้องพูดถึงว่า เขาจะมีความสนใจให่ดีให้ท่านที่พักที่อยู่ก็แบบคนอนาถาหาที่เกาะที่พึ่งไม่ได้เราดีๆนี่เองน้ำก็หิ้วกาน้ำลงไปในคลองซึ่งอยู่ตีนเขากรองให้เต็มกาแล้วก็หิ้วขึ้นมาชั้นมาใช้หลังจากสงเสร็จแล้วแต่ทำความเพียงสะดวกดีมากหมดกังวลทุกด้านไม่มีอะไรเกาะเกีเ่ยวตอนกลางคืนยามดึกสงัดทาภาวนา ฟังเสียงเสือกระเขมไปมาทีละหลายหลายตัวไปใกล้บริเวณที่ท่านพักใต้ร่มไม้แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งที่เสือไม่เข้ามาหาท่านเลยล้วนเป็นเสือโคร่งใหญ่ลายผาดกรอนทั้งนั้นท่านว่าท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงสัตว์ชนิดต่างๆแต่บางทีเสือก็กเข้ามาหาท่านและลูกศิษย์ท่านเหมือนกันเขาคงสงสัยว่าเป็นสัตว์ซึ่งควรจะเป็นอาหารได้บ้างแล้วแอบเข้ามาดูพอคนกระดุกกระดิกลุกขึ้นเขาร้องโกก พร้อมกับกระโดดเข้าป่าไปวันหลังไม่เห็นเขามาหาอีกเลยพอตกใบบ่ายก็มีชาวบ้านราวสามสี่คนออกมาสังเกตการแทบทุกวันแต่เขาไม่พูดจาอะไรกับท่านท่านก็ไม่ได้สนใจกับเขาเฉพาะพวกเขาเองบางครั้งมีการพูดกระซิบกระซาบกันขณะที่พวกเขามาที่นั่นท่านกำหนดจิต ด, ดูจิตใจเขาที่คิดตรงอยู่ทุกขณะและทุกเวลาที่เขามาส่วนพวกเขาเองก็คงไม่สนใจคิดว่า ท่านจะรู้เรื่องความคิดปรุงทางใจตลอดคำพูดเขาที่ระบายออกจากใจผู้บงการอะไรเลยคงเข้าใจว่าตนมีความลับที่ไม่มีใครสามารถสอดรู้อยู่ภายในจึงสนุกคิดเรื่องต่างๆอย่างเพลินใจซึ่งโดยมากก็เป็นความคิดคอยจับผิดท่านอยู่ภายในท่านกำหนดดูใจของใครที่มาด้วยกันกี่คนก็มีความรู้สึกนึกคิดที่คอยจับผิดอยู่ภายในเช่นเดียวกันหมดสมกับเขาประกาศสั่งพวกเขา ให้มาสังเกตการจริงๆท่านเองแทนที่จะคิดระวังตัวกลัวเขาจะจับผิดแต่กลับคิดสงสารเขาเป็นกําลังว่าคนในบ้านนั้นมีไม่กี่คนที่เป็นผู้ชักนาชาวบ้านซึ่งมีหลายคนให้เห็นผิดไปด้วยท่านพักอยู่ที่นั้นเป็นเดือนๆยังไม่เห็นเขาลดละความพยายามคอยจับพิรุษความผิดพลาดท่านพวกใดมาหารวนมีความจ้องมองหาแต่ความผิดกับท่านเช่นเดียวกันท่านว่า เขาช่างพยายามเอาซิจริงๆแต่ยังดีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาไม่พร้อมใจกันมาขับไล่ท่านให้หนีจากที่นั้นเป็นเพียงจัดวาระ ก, กันมาควบคุมโดยทางลับเท่านั้นเมื่อท่านอยู่นานไปทั้งพวกเขาก็มาสังเกตดูอยู่หลายครั้งเฉพาะพวกหนึ่งหนึ่งยังไม่อาจจับความเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดท่านได้เขาคงแปลกใจอยู่มากในเวลาต่อมาคืนวันหนึ่งท่านกําลังนั่งภาวนาอยู่และยินหรือทราบขึ้นภายในใจว่า